เริ่มที่คลายที่เราก็เริ่มที่จะมาร่วมการทํกากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นรวมทั้งการมาฟังธรรมแต่มอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าทุวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนกว่าแต่ก่อนเนี่ยหมายความตั้งแต่ว่ามากกว่าเมื่อ30 40สิปีก่อน หรือมากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายของเราแต่้็ไม่ได้หมายความว่าชี่อของเราเนี่ยมันจะทุกน้อยลงความสุขหลสบายมากขึ้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าความทุกของเราจะลดน้อยถอยลงไปสระบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นไปซั้งเพราะเพียงแค่สุขสบายน้อยลง ก็ทุกเสร็จแล้วฉนั้นจะพูดได้ว่าคนเราเนี่ยยากที่จะหนีความทุกข์คนในบทสวดมนต์คว่าเช้าเนี่ยจะมีอยู่ประโยคนึงที่แปลเป็นไทยว่าเราต้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วก็หมายความว่าเนี่ยความทุกข์ตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราอยู่แล้วแล้วก็ ยังรอเราอยู่บ้างหน้าด้วยอยู่กำลังนึกกับตัวเราอย่างไรนะเช่นเรานั่งบนเก้าอี้เรารู้สึกว่าสบายแต่ถ้าเรานั่งไปนานๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกเมื่อยเนี่ยแสดงว่าความทุกข์ที่มันอย่างในตัวเราเนี่ยมันเริ่มแสดงตัวออกมาแล้วเราคิดว่านั่งเก้าอี้แบบนี้เนี่ย อนั่งไปสักพักหนึองมันเมื่อเราคิดว่าถ้าเองกายชั่หน่อยมันจะดีแล้วพอเราเองกายปีนเอมันก็สบายสบายกว่าตอนนั่งก็อีนแต่พอเองไปสักพักอาจจะครึ่งชั่วโมงเราก็เริ่มชุบเมื่อแล้วจับอิสระเอ็นก็เลยบานนอนเลยนะนอนสระเองแล้วก็เลบันนอนนอน เอินนอ น, นสบายแต่พอเราไปสักพักก็เริ่มเมื่อยนะเราเริ่มลิกตัวและเราจะหลับก็ไม่แปลว่าเราไม่ลิกตัวนะหลับคืนนึงเนี่ยเราลิกตัวหลายครั้งสิเยอะทำไมถึงลิกตัวนะเพราะจะไม่คลิกเหมือนเมื่อยอันนี้สนแสดงว่าแสดงว่าความเมื่อยเนี่ยมันมันซ่อนใ น, นตัว ร่างกายของเราเพียงแต่เรามันรอเวลาแสดงออกแต่บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกเมื่อยเพราะว่าเราเคลียบเนื้อขยับตัวแต่ถ้าเราไม่เยลีบเมื่อไหยเนี่ยความทุกข์มันก็จะแสดงตัวออกมาในรูปความเมือ่อยอันนี้คือความเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์หย อ, อกเอาแล้ว ก็คือมันแทรกซึมในตัวเราเพื่อว่ามันจะแสดงออกเมื่อไหรแต่ถ้าเราขยับเรื่องขยับตัวเปลี่ยบเรียบบ่เราจะไม่เห็นความจริงตรงนี้ครูบาอาจารย์ทเคยบอกว่าเรียบบ่เนี่ยมันบางทุกข์ที่จริงไม่ต้องรอให้นั่งจนเมื่อยหรื อ, ห ร, อหรือนอนจนเมื่อยถึงจะรู้ว่า มันมีความคุกเนี่ยซ้อนหรือแฝงอยู่กับร่างกายเราเพียงแค่เราตั้งใจว่าจะไม่กระทุกตาลองไม่กระทุกตาสักสองนาทีหรือสามนาทีเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเมื่อยปวดตาแต่ที่เราไม่รู้สึกปวด หรือเมื่อหร่กลก็เรากระพริบตาหรือเลยก่อนนี่เฉพาะส่วนที่เป็นความทุกข์ที่มันหย่อนในตัวเราแล้วนะจะไม่ถึงการพูดถึงความทุกข์ที่มันลอยอยอยู่เบื้องหน้าที่มันแสดงออกมาเป็นอาการหรือเหตุการณ์ซึ่งท่านก็บอกว่าในบทธรรมวัตสมบูนั่นแหละก็จะมีสองอาการหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆ ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจมีแค่นี้แหละนะความทุกข์ของคนเราแปดพันล้านคนบรรทุกเรานี่ยเพื่อนรุ่นแปดพันล้านคนเมื่อสองสาวันก่อนเนะแปดพันล้านคนแล้วไม่ใช่เจ็ดพันล้านแต่พันล้านคนเนี่ยความทุกข์เนี่ยไม่ว่าชาตวใดภาษาใดก็วนเวียนหลงอสองเรื่องเนี้ประสบกับสิ่งที่ไม่รัก พ่อจะจับสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักเช่นอะไรอาจจะเป็นอากาศร้อนฝนตก ร, รถติดคําต่อว่าดาทอพ่อจะจับสิ่งที่รักเช่นอะไรบ้างก เ, เงินหายนะหรือว่าตกงานหรือว่าคนรักแยกทาง หรือความแม่อมหายายจากไปจากเราซึ่งถ้าจะพูดอีกอย่างนะความกู้ของคนเราเนี่มันกูเรียนเรียนอสี่เรื่องนี่หนึ่งทรัพย์สินเงินทองสองร่างกายร่างกายนี้ก็หมายความนั้นรวมนนตั้งแต่สุขภาพที่ไม่ดีไม่ใครดีความเจ็บป่วยจนถึงจนว่าเนี่ย น้ำหนักเกินอ้วนไปหรือว่าเป็นสิวผือแห้งผมแตกปร่างกายนะแล้วก็เงินทองเงินหายรายได้กดหนี้สินแล้วก็ความสัมพันธ์มีปัญหากับเพื่อนบ้านเจ้านายชอบดูถูกเย็นยามหรือทะเลาะกับลูก เราเป็นร่นไม่ว่าเราจะร่ำรวยแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีชีวิตที่สุขสบายเพียงใดมันก็หนีความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสี่ประการนี้ไม่พ้นเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็มาลงที่ความทุกข์ใจคราวนี้เมื่อเราหนีเราไม่พ้ น, นเนี่ยช่องเจอเนี่ยเราจะทํำยังไงหัวข้อการบรรยายวันนี้เนี่ยนะ ก็คือวิธียิ้มรับความทุกข์ทำไมเราควรจะยิ้มรับความทุกข์แต่ก่อนที่จะให้คงตอบว่าทําไมเราควรยิ้มรับความทุกข์เนี่ยก็จะเริ่มต้นตรงที่ว่าเนี่ยเราจะยิ้มรับความทุกข์ได้เนี่ยเราต้องทําข้อนี้ ไ, ได้ก่อนคือยอมรับยอมรับมัน อกอที่เราจะยึมรับความทุกข์เราต้องยอมรับมันเพราะว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเรายอมรับไม่ได้เราบนเราเว้ยว้ยตพเนยมันจะเป็นการสร้างเติมหรือเพิ่มความทุกข์ให้ตกอเราถ้าเงินหายเราเว้ยไว้ตพตยมันจะไม่หายแต่เงินนะแต่ว่าใจก็จะหายไปด้วย มันจะไม่เสียแต่ทรัพแต่ใจก็เสียไปด้วยถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเรายอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้ป่วยแต่กายมันจะป่วยใจด้วยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเรายอมรับไม่ได้เนยความทุกข์มันจะเพิ่มขึ้นคนที่เจอเข็มฉีดยาแล้วยอมรับไม่ได้กลัวเขาวิจัยพบว่า เข็มเนี่ยที่มันทิมถ้ากลัวนะแล้วโดนเข็มชิมเนี่ยมันจะเจ็บเป็นสามเท่าคนที่ไม่กลัวอันนี้เขาก็มีวิธีการวิจัยของเขานะซึ่งมันน่าสนใจนะมันแปลว่าอะไรแปลว่าความกลัวเนี่ยมันทําให้ความปวดเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสาม คนที่ไม่กลัวปวดแค่หนึ่งคนที่กลัวขวดสาก็คือว่าความปวดเพิ่มขึ้นสองส่วนเมื่อมีความกลัวหรือผู้ให่เนี่ยก็คือว่าความกลัวมาทําให้ทุกข์หรือความัวดคูณสามแล้วความกลัวนี้ก็เป็นอาการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ มีปัญหามีความทุกข์มีความสูญเสียเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทาก็คือยอมรับมันให้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอพูดไว้ดีมากเธอเป็นมะเร็งเธอพูดตัวเป็นมะเร็งทีุ่สามสิบตอนนั้นชีวิตก็กําเราจะรุ่งโรจน์นะ เราสนทนานและหลังจากที่ทุกมาระยะหนึ่งเนี่ยเธอพ็ความจริงว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มของเธอหายไปแต่ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำและที่ทุกข์ใจเพราะว่าไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผลนึ่งหนึ่งเป็นเพราะว่า เธอเป็นมะเร็งเซลลที่มันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุหรือคนที่สูงกว่าดีเยอะเป็นมะเร็งกระพาะปัสสาวะชนิดหนึ่งนะแต่เธอแค่30แล้วก็ยงังไม่เคยแตกรีเธอก็บนเจอก็วอยวายคือพอคิดไใส่หมอโทอนหมอว่าทําไมถึงถึงมาเจอช้าพราะทีแรกหมอไม่ที่ก็เป็นก็เลยใช้เวลานาน แล้วพอเธอบนดวายๆกับหมอไม่พอเธอ่าเหวียงยิใส่คนที่บ้านหอ ต, ต้องพ่อแม่จนกระทั่งเธอได้หันมาลองปฏิบัติธรรมดและการที่เธอได้ลองได้เจริญสติได้หันมามองใจเธอก็ทำให้เธอพบ ว, ว่า จริงๆเนี่ยตัวการที่เป็นตัวการที่สร้างความทุกข์ให้กับเธอเนี่ยรับความทุกข์ใจเนี่ยคือการไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับร่วมมาเลยส่วนผูไ้ไปดีมากเธอบอกว่าความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงแล้วที่มันโหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราเอ า, เอาไว้ ความจริบางครั้งโดร้ายแต่การไม่อยอมรับความจริงน่ะครับที่ ห, หดร้ายกว่าเพราะมันือนคุกคีขังใจรอไว้เมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรเร า, เรายอมรับไม่ได้รวมทั้งการกระทาหรือคาพูดของใครบางคนที่เรายอมรับไม่ได้เราจะถูกล่ามอยู่อเหตุการณ์หรือการกระทำหรือคําพูดนั้นต่อไปต่อไม่ได้เจ๊ ยิ่งไปจมอยู่กับเหตุการหรือความทุกข์นกพี่งันทำให้ใจเป็นทุกข์มากแต่พอยอมรับได้มันโล่งไปเยอะนะมันโล่งไปเย อ, ม, เเยอมันเหลือแต่ความป่วยกายแต่ความทุกข์ใจเนี่ยบรรเทาเบอบางงมีพี่คนหนึ่งเนี่ยนะ อายวัยเล็สี่สิบเกือบห้าสิบครอบครัวดีมากเลยสามีเป็น Family Man การงานก็มั่นคงลูกก็เป็นเด็กที่ดีใส่ใจการเรียนพุดตัวเรียบร้อยแล้วความสวัสดิครอบครัวนี้ก็ดีนะมีโอกาสไปเที่ยวทั้งครอบครัวเนี่ยอยู่ บ, บ่อย ผมต้องไปต่างประเทศพิกเธอก็น่าจะมีความสุขดีแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับชีวิตรู้สึกว่ามันไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อก่อนมันแห้งแล้งเธอก็ไม่รู้จเป็นพรออะไร ความีชีวิตยนหายไปไหนหมดเรื่ังก์กับตายเธอคิดว่าเป็นเพราะฮอร์โมนในร่างกายเรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะบกว่าไม่ใช่แล้วการเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นนะต่อมาเธอก็เริ่มน้อนไม่หลับเรื่องกระสับกระส่ายและเริ่มเกิดอาการแพนหลุดทื่นก็ะหนกตกใจ จนเธอต้องไปหาหมอหมอบอกว่าอาการเธอไม่มีเลยเธอก็เลยสงสัยสงสัยต้อมาหาจิตแพทย์เพราะว่าเธอก็พยายามทําหลายๆอย่างที่ทําให้ชีวิตมันมีมันมีชีวามากคือไปเที่ยวไปพักผอนไปทําอะไรที่คนเขานิยมทํากันแต่ว่ามันไม่ทําให้ความสัมปทานมันหายไปเลย แลถือไปหาจิตกับพ์คนนี้จิตาพ์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้สาสต์ตะวันตกองเดียวนะแต่ว่าสนใจการเจริญสติกรรมฐานแบบพุทธด้วยหมอฟังเรื่องราวของเธอแล้วหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยอยาให้คุณทำอะไรสักอย่างนนะ ให้พูดดังๆเลยสามครั้งว่าฉันอ น, นุญาตให้ตัวเงเนี่ยรู้สึกสังกำตายได้แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นไปตลอดชีวิตก็ตามเธอไม่ยอมพูดพูดไม่ออกหมอก็คาดายณให้ลองดูโหต้องใช้ความพยายา ม, มาในการที่จะพูดไปอ้อ ฉันอุ้ยให้ตัวเนี่ยรู้สึกสั่งการกันแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นไปตลอดชีวิตพอเธอพูดจบสาครั้งเนี่ยหมอถามว่ารู้สึกยังไงเธอบอกรู้สึกแน่นหน้าอกรูสุกเกร็งที่คอแล้วก็ปวดคองหมอถามว่าอาการเนี้ยมันแย่ไหมมันทดบเธอทวนไหวไหมเธอบอกมันก็ไม่ได้แย่เลยนะมันก็เป็นแค่ชั่วคราว แล้หมอให้ให้ใหแนะนำให้เคนลองกลับมาดูความรู้สึกเบื่อสั่งตายเขก็เฝ้าดูนะหมอบอกว่าดูเฉยๆนะไม่ต้องตัดสินไม่ต้องวิพากษ์วิจารไม่ต้องทําอะไรแบบนั้นแค่ดูความรู้สึกแนะนำตามว่ารู้สึกว่าความคิดว่าความสุขที่เป็นปัญหามากน้อยแค่ไหน เธอก็บอก ว, ว่ามันก็ไม่เชิงเปฏิบัฐานะเสร็จ แ, แล้มันแค่ลองคานใจหมอกนะ็เลยแนะนาว่าเนี่ยให้เธอเนี่ยลกลับไปนะแล้วก็ให้ลองสังเกตความรู้สึกดูมันเฉยๆไม่ต้องตัดสินมันไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปกดข่มผับสมันแล้วหลังจากนั้นทานไปนะก็พักใหญ่นะหลายวันเธอกลับมาหาหมอแล้วก็มาคุายกับหมออีกสองสองครั้งจนกระทั่ง ครั้งสุดท้ายเธก็มาบอกมาเล่าให้หมอฟังว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกอยู่สองอย่างปบคนกันความรู้สึกแรกก็เออความรู้สึกที่ติดลงเล็กน้อยที่อาการดีก็ไม่หายไปแต่ความรู้สึกนั้นคือรู้สึกโล่งยอมรับความรู้สึกนี้ได้ ้เธอก็ว่าพอยอมรับความจริงได้ไอความผิดหวังมันก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วเธอก็กลับมารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาแทบจะเหมือนเดิมความทรงตายมาเหมือนมันจะไม่ได้หายไปนะแต่รู้สึกดีขึ้นเพราะ อ, อะไรนะเพราะเธอยอมรับมันได้เพราะเธออนุย่าให้มันเกิดขึ้นได้ไอเที่ที่ทนเหียการกระสับกระส่ายแทนหนึง เป็นเพราะไม่ใช่เพราะความผิดสังกาตาแต่แบบเพราะเธอตื่นตกใจแบบกเป็นเพราเธอยอมรับมันไม่ได้เธอคิดปรุงแต่งว่าเนี่ยเดี๋ยวอาการมันจะลามมากไปกว่านี้หรือเปล่าพอที่แบบนี้เขาเนี่ยเขาเ็นอนได้หลับกระสับกระส่ายตื่นตระหนกแต่ตอนที่ที่ยอมรับมันได้นมันโล่งมัน เ, นเบาเออตอนนี้น่าสนใจบางครั้งอารมณ์ คามสึกแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลคิดว่ามันมีสาเหตุนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแม้กระทั่คนที่มีครอบครัวที่ดีสามีก็ดีลูกก็ดีการงานก็ม่นคงไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเงินทองไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแต่ก็มีความรู้สึกสร่างตายเบือ่อเสงไม่มีชีวิตชีว่า แต่เน ท, ที่ยอมรับมันได้เนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เคยทําให้เธอร้องเล่นหลังกระสับกระส่ายมันก็หายไปแล้วตั่นหมายถึงว่าเนี่ ย, าานนยการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์เนี่ยนะมันเป็นวิธีการสำคัญมากเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันไม่เพิ่มทุกข์ให้กับเรามันทําไม่ทุกข์ก้อนใหญ่ๆก้อนนึงเนี่ยที่กดทับ จิตใจแล้เนียมันหายไปเพราะการต่อมาคือว่าก่อนที่เราจะยืงยับความทุกข์ได้นอีกสิ่งหนึ่งคือว่าการที่เราเนี่ยไม่ปล่อยใจจมอยู่กับความทุกข์ทีเห็กตาที่เกิดขึ้นเพราะว่าชุดเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆที่เป็นส่วน สองที่เรอเนี่ไม่น้อยมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งนนะอชื่อหวังเหมยเดียเกิดมาเนี่ยเธอพิการตั้งแต่กำ เ, เนิดนะเพราะว่ามีปัญหาที่สมองเธอพูดไม่ได้และเธอเนี่ยไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถแต่ว่าเธอก็เป็นคนที่มีความเพียรพยายามมาก ใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติธรรมดาเลยก็ว่าได้กระเถือก็สามารถที่จะเรียนจนจบปริญญาเอกะของ UCLA, เอ็มมาต์าไรน์คริสเปอร์เนียลอสแองเลสทั้งที่พิการที่สมองพิการนะอวัยวะนี้ไม่ครบ3าที่สอนอาชีพนี้ครบนะแต่ว่าไม่มีปัญญาเรียนจบเองของ u c บัติเหตุแน่อย่างแน่นอน วันนึงเนี่ยเธอก็จะเชิญให้ไปบรรยายให้กับนักเรียนนักยม่เป็นการบรรยายให้กําลังใจเธอบรรยายเธอบรรยายเนี่ยด้วยการเขียนใส่กระดาษเธอพูดไม่ได้เพรเจาเธอบรรยายจบก็มีนักศึกษานักเรียนคนนึงยกมือถามว่าเนี่ยคุณเป็นยอย่นนางนี้ตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณเคยรู้สึกร้อใจในตัวเองร้อนใจในโชคชะตาคุณมองต้วอย่างไร พ่อมาชนไม่เงียบเกินเลยเพราะว่ามันเป็นคำถามตรงเกินแต่ว่าเราหลังไปในนี้เธอยินแล้วเธอก็หันไปตอฉันมองเธออย่างไรนะก็ะหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักสองเรียวขาฉันก็สวยงามสามพ่อแม่รักฉันสิ่งพระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสห้าฉันเป็นแาที่น่ารัหกหฉันวาดรูปได้เขียนหนังสือได้เธอว่ารูปสวย จากที่ทําให้คนเนี่ยอึ้งเนี่ยคือข้อสุดท้ายซึ่งมันเป็นเคลดลักหรือบทสรุปของการที่เธอสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้ว่าจะที่การเธอเขียนว่าฉันเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองที่ฉันไม่เห็นสิ่งที่ฉันไม่มีเธอไม่มีอะไรนะเธอไม่มีความสามารถที่จะพูดเหมือนคนอื่นได้ เธอมีความสามารถที่จะเดินเหินเหมือนคนทั่วไปก็้แต่การที่เธอจทุกข์นะเธอก็เลือกที่จะมองสิ่งที่เธอมีและเธอก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะการภาคภูมิใจซึ่งเธอไม่จบเพอย่างเดียแล้วที่จริงมันมากกว่านั้นนะมากกว่าหกข้อที่ว่าถ้าเธอเนี่ยมาสนใจจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่เธอไม่มีเนี่ยเธอจะเป็นคนที่ น, อน้อเล็กต่างใจใช่วงชะตาหน้าแต่คนเธอไม่น้อนเป็นเช่นนั้นนะ มีมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแม้จะมี98แต่ก็เห็นแต่ไอ้สองที่มันหายไปถ้าคุณมีแม้ทั้ง98แต่คุณเห็นแต่สองที่หายไปยนี่คุณทุกข์เลยในไทยที่คนที่จริง90เนี่ยแม้จะไม่มีสิแต่ก็สนใจ90ที่มีมอยู่เข้ากับมีความสุขได้เพียงไทยนนเนี่ยเธอชื่อกนอกวันนะเกิดมาเนี่ยเธอก็ ไม่พิการเหมือนกพิการาเธอเป็นโรคทรัเมียอย่างแรงทรงเซียเป็นโรคเลือดเธอมีร่างกายที่แข็งดันตาโปนกระดูกเปราะของแตกหมอบอกว่าเธออายุได้ไม่ถึง20นะเธอก็อยู่ได้เพียเกือบ 40, 40ตอนที่เธอมา พ, พูดเรื่องนี้เนี่ยเธอก็30กว่า ทั้งที่เธเมื่อเลิจะตายเม่อไหร่เธอแบบเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งเลยบอกว่าแม้เลิศแนจะแย่แต่ฉันก็ยังมีตามองเห็นสิ่งที่สวยงามมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงทีไฟล้อกินอะไรก็อร่อยเดินเหนือไปไหนก็ได้แค่นี้ฉันก็มีความสุขคนะเธอมีทักษ์สักตีหรือมุมมองเนี่ยเหมือนกับวังเมืองเหนือนั่น เธอไม่มองสิ่งที่แย่แต่ใส่ใจกับสิ่งที่ดีที่มีสิ่งที่แย่คืออะไรก็คือเลือดที่ไม่มีสิ่งที่ดีคืออะไรคือตาที่ยังมองเห็นหูแนะที่ยังได้ยินเล่นที่ยังรับตนได้จมูกที่ยังดมกลิ่นได้แล้วก็แขนขาที่ยังเป็นปกติ เธอเลือกจะมองสิ่งที่ดีที่มีอยู่แต่ไม่มองสิ่งที่มันเสียไปเพราะเนี่ยคือเคลนลัของคนจนเ้าไม่นอนที่ทๆเขาน้าจะเจอกับสิ่งที่ไม่ดีหรือพัดพลาดกับสิ่งดีๆที่มีแต่ก็ยังมีความสุขเหมือนกับพีวันนึเนี่ยเธอถูกโกงไปห0สิล้านเธอก็เสียใจอยู่ สักสองวันแต่หลังนั้นเธอก็ยินได้ใช้ชีิตตามปกติเธอก็ถามเธอว่าเนี่ยตัวยิ้มได้ยังไงสามีเธอยังเศร้า อ, อยู่เลยแค่ออเนี่ยก็บอกเนี่ยก็ฉันก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยทุวันนี้แสงก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายมีบ้านหลังใหญ่อยากจะกินอะไรก็ได้กิน ชิตก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมและจะทุกประทำไถ้าเธอมาสนใจแต่60ล้านที่เสียไปอย่าว่าจะหกสล้านเลยนะแม้กระทั่ง1นึ่งหรือ 10,000 แที่เสียไปเนี่ยเธอจะโคงนอนแ ม, ม่นหรอกคอเธอไม่สนใจ60ล้านที่เสียไปเธอหันมาใส่ใจกับชีวิตที่ยังเป็นปกติมีความสุขสบายที่ยัง อันนี้เราเจอแล้วว่าเป็นการมองบวกก็ได้นะมองบวกยังไม่ได้มองว่าอน า, า, าคตสดใสชอชวงทศวรรษแต่มองว่าปัจจุบันตอนนี้มันมีอะไรดีรอยู่บ้างหรือว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรามีอะไ ร, รอยู่บ้างเมื่อมองเห็นแต่สิ่งที่มีไม่มองสิ่งที่ไม่มีมันก็สุขได้ไม่ยากเราเจอแล้วว่าเราจะมอง เราจะเรียกว่าเนี่ยรู้จักชื่นชมสิ่งดีที่มีอยู่ซึ่งเป็นการมองหรืออยู่กับปัจจุบันอีกแบบหนึ่งไมได้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยก็คือว่ารู้จักชื่นชมสิ่งดีที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่ไปตดจอออยู่กับสิ่งที่เสียไปหรือสิ่งที่ไม่ดี ที่เราเรียกว่าความทุกข์ถ้าเราหันมอแบบนั้นตัองอ้งเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายมีความทุกข์เด่งยากความทุกข์ยังมีอยู่เงินก็ยังหายังยังไม่ได้คืนร่างกายก็ยังป่วยอยู่แต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ไปที่ไหซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยยอมรับ ความทุกข์หรือเหตุการณ์หลายๆที่ผ่านเข้ามาได้เราต้องมองแบบนี้บ้างครับแต่ธรรมชาติของเราเนี่ยเรามักชอบมองลบว่าจะตรวจสอบสิ่งที่เสียไปบางทีเงินหายไปร้อยบาทเนี่ยเราหัวเสือเรากุ้มใจหน้าที่มีเงินในกระเป๋าเนี่ยเป็นทางเป็นมือบางที ไปต่างประเทศแล้วก็ไปแลกเงินกลางถนนอย่างเช่นในอินเดียรเรากว่าถูกโกงไปไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยหัวเสียทั้งที่เรามีกันในกระเป๋านี่เป็นหมื่นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะเราจะทุกข์หนักอาตมาประทับใจนะ เจ้าของอไม่ใช่เจ้าของเป็นซ e o ของสูกี้ชื่อดังนะที่มีสาขาทั้งประเทศเมื่อปี53เกิดจากจ น, นะมีคนตายไปเยอะแล้วก็มีการมีร้านมีการเผาศูนย์การค้าซีแห่งระประสงประตู น, น้ำ สยามเป็นต้นสาขาของสูเกเนี่ยโดนเผาไปสี่สาขาเสียหายนี่ไปหลายล้านแล้วก็ต้องปิดต้องปิดกิจการเพื่อซ่อมเนี่ยรายได้ก็หดหายไปเยอะเลยผู้จัดการก็มารายงานให้ซ e o อแอเ้าซ้อยมากเลยนะผู้จัดการซ e o กับพูดเนี่ยมันก็ให้กำลังใจหรือเปิดมุมมองแก้วนั้นพูดว่ายังไง บอกว่าร้านเราถูกเผาไปสีสาขาแต่เรามีต้องสาม้หกสิบเนียแต่ว่าเนียังเือตร้องสามร้ยห้าสิบหกเสียไป 4. สี่ซ่อมไปสี่แต่ว่ามีต้องสาม้ยห้าสิบหกไมะทุกปทำไมใชม่นี่ข้จำกันนี่คือการรู้จับมองสิงที่มีหรือมองสินที่ยังอยู่ไม่มองสิงที่ไม่มีหรือสิงที่เสียไปแล้วคุณรู้จัมองแบบนี้บ้างเหนะ ให้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่กระเทือนไปถึงใจแต่เพราะนี้เนี่ ย, เ, ยเราสามารถฟันได้มากกว่า น, นั้นนะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันช่วยทําให้ใจเราไม่ทุกข์คนเราเนี่ยนะเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่เราทําได้ทุกคนคือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ถ้าเรารักตัวเอง แต่เราเองทําได้มากกว่านั้นนะก็คือหาประอยู่จะความทุกข์ผู้เจ้าเนี่ยเคยจ่ายกับพนันทิยะสอนพนันทิยะแล้วตอนพนันทิยะก็มาเล่าให้พระองค์ุลีมาฟังพระองค์ุลีมาก็พึ่บวชถามพนันธิยะผู้เจ้าสอนอะไรท่านพนันทิยะก็พูดว่าเนี่ยพตะกูี้มีตอนท่านครูอะท่านครูหนูพระพากยเจ้า สอนว่าผู้ที่รู้จักเาประโยชน์จากอนิจจารมุ่งพุ่นนะรับพุ่พมีพรนะพภากเจ้าสารสุวัตถิสังติอนิจจารมคืออะไรก็คือรูปวัตถุเสืส่อมสอาขัหรือเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจหรือบางทีก็เรียกว่าโลกประฝ่ายลกโล ก, โลกประทำฝ่ายบวกคือได้ลาศ์นะฝ่ายโลกคือเสื่อมลาศใจยศ เสื่อมยศมีสารเสื่ก็มีนิพพามีสุขก็มีทุกข์เสื่อมลาภเสื่อมยศนิพพาทุกข์ซึ่งก็ที่จริงก็รวมไปถึงความเจ็บความป่วยด้วยเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าอ น, นิจจารมม์ผู้ที่จะพิจารณาอ น, นิจจารมม์เพราะพึงพระพุทเจ้าสารเสื่อมุณเป็นปันติความทุกข์เนี่ยหรือเหตุลายที่เกิดขึ้นกับเราก็มีประโยชน์นะเราต้องรู้จักมอง บาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็บอกขอบคุณนะที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทําให้เขาได้พบกับชีวิตใหม่เพราะถ้าให้เป็นมะเร็งก็ยังร่ำลาสนุสนาหรือว่าโบกมือกับการทํา ง, งานจรืรื่องยดชิ้นนั้นมัีอะไรมากกว่า น, นั้นพอเป็นมะเร็งก็หันมาสนใจ ธรรมะสนใจปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยพบความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนแล้วก็เลยรู้ว่าคนเราอยู่เพื่ออะไรถ้าไม่เป็นมาเก็ไม่เจอจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตมีผู้หญงคนหนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างแรงต้องไปทำจิตตะแท์แล้วมันดึงคือนพอ่จอจนเป็นไาเรงก็คงจะ เสียส่วอยู่เท่านึงนะแต่ไม่นานเนี่ยเธอก็กลับตั้งหลักได้แล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณมาเรงนะเพราะมาเรงเนี่ยมันทาให้เธอได้เข้าใจตัวเองแล้วก็รับมือกับโลกได้ดีขึ้นทำให้เธอมีความสุขมากขึ้นถ้าเธอไม่เป็นมาเรงเธอก็คงจะตายไปแล้ว เพระเธอย้ำฆ่าตัวตายไปแล้วสาครั้งแต่พอเป็นวันนี้เนี่ยนะตอนทีเธอได้คิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมอมองต่อชีวิตขณะติจตแพทย์เนี่ยที่รักษาเธอมาเรียกว่าเลยว่าทัาศนคติในการมองชีวิตและมองโลกของเธอเปลี่ยนไปเมื่อเธอเริ่มเป็นวันอันนี้เรียกว่า ได้ประโยชน์จากความเป็นไปเองหรือว่าวิจัรห า, า, าประโยชน์ของมันความทุกข์เนี่ยมันก็มีประโยชน์มีประโชน์หนึ่งเนี่ยเธอผู้เบื่อนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเรียกความสุขนะความทุกข์เนี่ยมันทำใหเราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงมากขึ้น ความสูงเนี่ยมันทำให้จิตใจเราล่องรอยแต่ความสูงเนียมันทำให้เราหยุดพื้นแล้วก็หยุดการปริงได้ดีขึ้นซึ่งมันดีกว่าการล่องรอยมากเลยผู้ยิงคนนี้เนี่ยเธออายุแค่สามสิบและเธอเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสากหายใจเนี่ยได้แค่ส0ปอร์เซน์ของคนทั่วไปเพราะว่าปอดเธอมีปัญหา เอาเรื่องต่างของเธอเนี่ยมันทำงานแทบไม่ได้เลยเพราะว่ากล้บบามเนื้อเนี่ยมีปัญหาเธอเดินลำบากแม้แต่จับจับปากกาเธอก็จับไม่ได้เธอใช้โทรศัพท์เนี่ยใช้ยากลำบากมากแต่เชื่อไหมเธอใช้โทรศัพท์เนี่ยเขียนนิยา ย, ยมาละสิบเก้าเลยแล้วบางเล่มก็ได้ลางมา แล้ ว, วิธีการเปียนโทรศัพท์เธอเนี่ยเธอใช้ข้อนิ้วที่งอนเนี่ยมือข้อนิ้วขวานเนี่ยจิ้มจอ้อแล้วในจิ้มธรรมดานะเธอต้องนอนต้องนอนบนนอนกับเตียงเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างซ้ายของศรรีรษะแล้วเอามือเนี่ยเอาแขนเนี่ยพาดไปกับรับตัวเพื่อที่จะได้เอานิ้วที่งอนเนี่ยข้อนิ้วที่หางเนี่ยไปจิ้ม เจอละตัวเจอละตัวเนี่ยที่ดูน่านกลไกประโยชนึงเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วนี่คือวิธีเขียนนิยายของเธอเนี่ยบเก้าเลป่านนี้ยี่สิบแล้วมั้งถ้าเป็นนิยายที่ทําให้คนเนี่ยมีความเพลิดเพินคือมีแรงมันจาลใจเขียนนิยายได้ยังไงในเมื่อไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อาการเธอเนี่ยนหนักกว่าหวังเหมื่อเดือนเยอะเลยแล้วก็อาจจะ ยายบอกผู้เปื้อนมาเร็งหลายแต่เธอก็ บ, บอกว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเกี่ยวความสุขนะครับความสุงมันทําให้เราร่องรอยแต่ความทุกข์มันทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับความเปจริงได้ดีเธอเห็นประโยชน์ของความทุกข์มันจะไม่เธอยอมรับความทุกข์ได้ก็ไม่ใช่ยอมรับเถอะมันทําให้ยิ้มรับความทุกข์ได้ยิ้มรับเพราะว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่า และพอผู้ฝ่ายทแล้วเนี่ยทุกเนี่ยมันมีความสําคัญนะ เ, เพราะว่าต่อเมื่อเจอทุกเนี่ยจึงจะเห็นธรรมต่อเมื่อเจอทุกจึงจะเห็นธรรมถ้า อ, อะไรท่านเนี่ยนะชี่ท่านเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าท่านเจอทุกที่รุนแรงอย่างนางกีสาวก็มีเสียลูก เาปตาจลาเสียลูกสองคนเสียสามีเสียพ่อเสียแม่เสียพี่ชายในเวลาห่างกัน2ี่สิบสี่ชั่วโมงบางคนเนี่ยถูกลูกอัเบเปหลูกมีสิบสี่คนนะผู้หญิงเจ็ดผู้ชายเจ็ดนี่ไม่มีใครดูแลแม่ทุกคนเลยทั้งที่แม่เคยร่ำรวย แต่ว่าพอยกมรดกให้ลูกเท่าๆกันเคยไม่เหลือเลยสั ก, สกแดงเลยนะที่ว่าจะหวังพึ่งพาลูกก็กล่าวว่าพึ่งพาไม่ได้สักคนเพราะเขามองว่าเนี่ยทำไมต้องมาพึ่งเท่าคนเดียวในเมื่อลูกคนหน่ก็มีแล้วก็ได้เท่าๆกันสุดท้ายหน้าจต้องไม่มีที่ไปต้องไป บวชเป็นพิษูณนะีแล้วก็เห็นธรรมบรรลุธรรมหรืออย่างมารดาของท่านกุมานกันสป่าที่ถูกมีคนเอาลูกไปเลี้ยงตั้งแต่ท่านบวชเป็นพิสูณนีใหม่ๆแล้วก็พลาดจากลูกมาสิบสองสิบสี่ปีหวังจะเห็นหน้าลูกแต่พอเห็นลูกบินทบ่าวิาา่งไปหาลูกหกล้มลูกเขาล้วงแม่ ยังไม่ตัดใจในตัวลูกลูกก็พูดรนะุนแรงเลยนะทำไปทำอะไรอยู่นะทำไมยังตัดอะไรในลูกไม่ได้โอแม่เสียใจมากเลยนะอุตส่าห์นึกถึงลูกมาทุกวันตลอด12ปีสร้ากควากับสืาไปท่านเป็ น, น, น, นเนนนะแต่ว่าท่านกำลบนงลุกขา แต่ท่านตั้งใจพูดแล้วตั้เพื่อให้แม่ได้ตัดใจหมดอะไรในตัวลูกแล้วบอกว่าวันนั้นหนึ่งเนี่ยพี่สุนีพูดกั็นแม่ก็ไม่รู้ทรนพระรหัตคือมัมีตัวอย่างมากมายของคนที่เห็นทำเนี่ยก็เจอ ท, ทุกท่านนี่ทุกจะมีประโยชน์แล้วที่เกิดเพราว่าทําไมเนี่ยอริสัตข้อแรก เ, เนี่ยคำว่าอริสัต์คือความจป็นอันเสริศเนี่ย ข้อแรกจึงได้แก่ทุกข์เพราะว่าถ้ารู้จักทุกข์ประตูสู่นิโรธก็จะเปิดเพราะถ้ารู้จักทุกข์เห็นทุกข์มันก็เข้าใจสมุทยัยเห็นทุกข์และถ้ารู้ว่าอะไรคือเห็นทุกข์ก็จะรู้ต่อไปว่าจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร ด้านั้นะคือบนทางสู่นิโรธทุกเนี่ยคือประตูบานแรกนะที่จะพาเราไปสู่นิโรธคอือความพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอทุกเนี่ยนะมันจึง เ, เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทยาวให้เราเนี่ยเกิดปัญญาสลายความหลงผิดต้ดนออกจากทุกได้ แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ทํำอย่างน้อยเชื่อสมา ว, ว่าเาเพื่อมาเจอทุกข์แล้วเนี่ยให้ยอมรับทุกข์ไม่ผักสายไม่บน่นวายวายไม่โพธิ์ตีพายแล้วก็พิจารณาว่าเราจะเอาทางออกจากทุกข์ได้ยังอย่างนั้นก็ตระหนักว่าเพียงแค่เราไม่ปฏิเสธไม่ผักสายไม่บนวายตีโพธิ์ตีพายความทุกข์ก็จะลดลง แต่ทำให้เราเห็นทางออกจากทุกข์แต่บางครั้งความบ อ, อกเท่าจากทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราเรามักคิดว่าเหตุทางทุกข์เนี่ยอยู่ข้างนอกคนที่เขาต่อว่าเราด่าทอเราคนที่เขาแย่งชิงทรัพย์สมบัติ พโมยคนนักของเราไปคนที่ส่งเสียงดังสร้างความหลอกลวให้กับเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลรองนะเหตุผลหลักเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราใจที่จะติดถูมั่งใจที่มีความคาดหวัง ทีไม่รู้จักพอหรือปราถนาไม่รู้จักหยุดบ่อยครั้งเนี่ยนะความทุกของคนเราเนี่ยไม่ตาจากคนที่เดินไปเต่หินแล้วก็โทษหินว่าเนี่ยคยอเาหินเนี่ยทำให้เราเจ็บแต่แท้จริงเนี่ยหินมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นมานานแนละ้วถ้าเราไม่เดินเตะหินเราก็ไม่เจ็บหรือเมื่อคนที่ โดนน้ำเกี่ยวหรือน้ำทิ่มที่แขงแล้วก็โทษน้ำแทนที่จะมองว่าเป็นราะเราเนี่ยไม่ระมัดระวังสุ่มซ่ามมันก็้ายกแบผู้ชายคนหนึ่งที่เดิน่างหินก้อนใหญ่หญหญก้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็จู่ๆก็ยิบหินก้อนนั้นขึ้นมาแบกบอยู่พักหนึ่งแล้วก็บ่นว่านหนักหนักหนัก นักเหลือเกินใช่คนนั้มีความทุกข์แต่แตว่าเขาทุกเพราะอะไเขาทุกเพราะหินหรือเขาทุกเพราะแบกหินแต่ชาวคนนั้นเนี่ยคิดว่าทุกเพราะหินถ้าเขาคิดว่าเขาทุกเพราะแบกหินนะคอนตอนมันง่ายมากเลยเมื่อทุกเพราะแบกหิน ก็วางหินลงเมื่อวางหินลงก็หายทุกข์แต่ถ้าคิดว่าทุกข์เพราะหินนะ mm. ก็ต้องหาทางตัดการกับหินก้อนนะั้นอาจจะหาทางทุกข์ให้ใครมาช่วยทุกข์ช่วยตอกช่วยตีให้มันแต่เป็นหินก้อนเล็กๆหรือหาคนมาช่วยแบกแทนเราหรือแบบกับเราแต่เขาไม่มาแบกกับเร า, า, ไ, มม า, เราไม่แบกแทนเราก็จะไปว่าเขา ลองพิจารณาดจริงๆนะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเะนี่ยมันเป็นเพราะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยความทุกใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพเพราสิ่งภายนอกหรือเป็นเพราะการวางใจของเราที่มันอย่างที่ หญิงผู้เป็นมะเร็งชื่อกังเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมะเร็งไม่ได้ทําให้รอยยิ้คุณหายไปความทุกข์ใจต่างหากและที่ทุกข์ใจเพราะยอมรับมันไม่ได้มันเป็นเพราะใจของเราที่ยอมรับไม่ได้จะไปปักตึงอยู่ว่าสิ่งนั้นมาจึงเป็นทุกข์ก็คือพรกับที่สมวงปู่บุดได้ท่านเคยพูด ทำลองเตือนลูกศิษย์หลวงปูุ่ดาท่านนอนพักอยู่ที่บ้านโยมแล้วจบชันเพลนเสร็จโยมก็อยากให้ท่านพักก่อนกับสิงหบุรีตอนท่านเองก็มีลูกศิษย์สองสองสาคนมานั่งคุยเป็นเพื่อนแ ต, แต่ละคนก็คุยกันแบบก็ะิบกระซาบกลัวเสียงจะไปรบกลักวหลวงปู่แต่เมื่เอินห้อง ที่หลวงปู่น้อนเนี่ยมันติดกับร้านโชว์หวยเจ้าของเนี่ยเขาเป็นอัศิมคนจีนสมัยก่อน5 0าหปีก่อนเขาสวมเกี้ยมไม้เวลาเดินเสียงจดดังเสียงดังเข้ามาในห้องที่หลวงปู่จำวัดอยู่รู้สึกคนหนึ่งก็ไม่พอใจพูดขึ้นมาว่า เ, เดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจ หลวงนได้ยินก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเดินเขาอยู่ดีๆลอยหูไปลองเกลี้ยเขาเองเสียงเกี้ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเอาหูไปลองเกลี้แต่ชายกลุ่มนั้นเนี่ยที่ว่าเนี่ยที่ฉันมุดหูเนี่ยเพราะเสียงเกี้ยแต่ไม่ได้มองว่าเป็นเพราะเอาหูไปลองเกลี้ยสมุทัยเนี่ยนะแห่งความทุ่มเนี่ยอยู่ที่ใจที่ไม่ไปกํากับหู โหมันเคยไปลองเลี้ยแล้วความทุกข์ใจส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นะมันอยู่ที่ใจของเราถ้าวางใจถูกนะเดี๋ยวว่าแต่เสียงเกะหรละเสียงด่านี่ก็ทำอะไรไม่ได้สมัยที่หลวงปู่ขาวเนี่ยจะมีชีิตอยู่และมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อบันชีสาอุปถัมภ์ท่านเนยดีมากแล้วก็ปฏิบัติดีด้วย วันหนึ่งเนี่ยลูกภูกาก็าเรียกคราบสองรูปมาเรียกมาทำมามเรียกให้ไปดานะ่าแม่ชีสาทั้งสองรูปนี้ก็ก็งงนะอ่ะแต่ครูบาอาจารย์สั่งก็ไปไปที่กุฏิแม่ชีสาเรียกแม่ชีสาวมาพอแม่ชีสาวมาท่านก็ลุมดา่าท่านพกันดา่าแม่ชีสาวที่แ้วก็งงนะแต่ว่าตั้งสติแรกก็พนมมือฟังอย่างสงบ พอทั้งสองท่านด่าจนไม่รู้จะด่าไงแล้วหยุนะ ด, ดแม่ชีสาก็เลยพูดขึ้นมาแม่ชีสาวไม่ได้โกรธเลยนะแทนที่โกรธแทนที่จะโกรธแทนที่จะน้อยใจว่าทำไมครูบาอาจารย์ว่าเราแทนที่เราก็ปฏิบตัติตัวดีแล้วครูบาอาจารย์ว่าเราแบบนี้แล้วคนนึ่นเขารู้เขาเราจะหน้าไปสุกไปที่ไหนไม่ชีส า, าไม่มีความคิดแบบนี้ ไอ้สาวพกมาว่าเนี่ยพระอาจารย์ด่าว่าดิฉันเสร็จแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงด่าเป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยขออนาน้านิมนต์มาด่ายนะกี่เลสนี่ได้หมดสักทีคนเวลาทุกข์เมื่อถูกด่าเนี่ยมักคิดว่าเป็นเพราะเสียงด่าแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยแม่ชีสาก็น่าจะทุกข์แต่ทําไมแม่ชีสามไม่ทุกข์เพราะจะทุกข์หรือใบ้ที่ใจ แล้มันกิสายเห็นประโยชน์ของเสียงด่าว่าเออมันมนสิ่งที่มาช่วยขัดเกลากินเหล็มองเห็นประโยชน์ของคำดา่าหรือรู้จักหาประโยชน์จากคำด่าว่าอันนี้ก็คล้ายๆกับผูเรารู้จักโจนจันใดนะโจนจันใดเนี่ยนะตอนอหนุ่มเนี่ยนะเขาก็เหมือนคนหนุ่มทั่วไปเนี่ยก็อยากมีเงิน อยากมีอาชีพที่ดีก็ไปหางานทําในกรุงเทพแล้วก็ได้เป็นพนักงานทงความสะอาดโรงแรมแห่งหนึ่งโจนเนี่ยมีไม่มีหัวหน้าเป็นแม่บ้านคนหนึ่งนะโจน บ, บอกไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้เลยด่าอย่างเดียวเลยทำอะไรก็ดา่าดามีครวหนึ่งเนี่ยไม่ชีแม่บ้านเนี่ยให้โจนเนี่ยไปไปเช็ดลูกบิดประตูห้องพัก ให้บรัสโซไปแล้วก็คุมกขาด้วยคนระัคุมอยู่ข้างๆโจรบังเอิญเอ็มดีผ่านมาเห็นโจรก็เลยตำหนิว่าเอาบัสโซเนี่ยนะขัดลูกบิดแบบนี้ได้ยังไงมันใช้ไม่ได้มันทำไม่ได้และบ้านเนี่ยนะพ่เป็นคนสั่งโจรเนี่ยซ้ำเติมโจรเลยทำได้ไยังไงไม่ได้เรื่องเลยพวกเธ อ, เ อ, เธอเโจรแทนที่จะโกร น, นะ จๆเนี่ยจะได้สติขึ้นมาไปยิมเลยนะแล้วก็พนนมือขอโทษครับขอบคุณครับนะขอบคุณแม่บ้านและนักแต่นั้นมานนะเวลาแม่บ้านด่าโจนนะโจนก็จะพนมมือแล้วบอกขอบคุณครับจนรู้กันไปทั่วทั้งโรงแรมนะพนัก ง, งานโรงแรมก็บอกว่าไอ้โจนเนี่ยมันโง่ ปอยให้แม่บ้านเนี่ยนยติดหัวใช้บอกว่าโจเป็นบ้าเขาด่าด่าไปขอบคุณเขาที่ถักโจเนี่ยเขาก็หวั่นไหวแต่ลราเขาก็ถือว่าที่เขาทานี่เขาตั้งใจนะไม่ได้เสแสร้งนะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่แม่บ้านมาช่วยเตือนเขาแล้วก็ช่วยทําให้เขาเน้นหันมาจัด ก, การความกลัของตัว ไปหนึ่งเดือนแม่บ้านไม่เข้าใจยทำไมโจนเนี่ยถึงไหว้แม่บ้านทั้งที่แม่บ้านานี่ตาเนี่ยโจนมาถามนะฉันสงสัยจริงนะเวลาฉันไหว้เธอหน่อเธอฉันด่าเธอทำไมเธอพนมมือไหว้โจนบอกเนี่ยก็ที่ไหว้ก็เพาขอบคุณที่แม่บ้านมาช่วยเตือนเขาให้เขาหันมาดูตัวเองหันมาไข้คร ว, ว่ามีเหตสมควรโกรธไหม หรือทําอะไรผิดหรือเปล่าก็ในมเมื่อแม่ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องเสียใจอนะไรไม่ต้อต้องโกรธอะไรเลยส่วนที่แม่บ้านจะด่าว่าเขาก็เป็นเรื่องของแม่บ้านแม่บ้านเขอชอบแบบนี้ก็ก็เป็นเรื่องของแม่บ้านไปนับแต่นั้นมาแม่บ้านนี้เลิกด่าโจลเลยนะแพ้ใจแต่สี่งสำคัญอย่างเนี้คือถูกด่าแล้วเนี่ยขอบคุณยิ้มรับถ้าเรายิ้มรับคําด่าได้นะยิ้มรับคําความทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าเรายึมรับความทุกข์ได้เนี่ยยึมรับคาําด่าก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันนะคเพราะอะไรเพราะว่าที่ยึมรับคาําด่าได้เพราะเห็นประโยชน์ของมันคาําด่าช่วยขัดเกากิเลดนะอย่างที่ไม่ชี้สาได้พูดหรือว่าคําด่าก็มาช่วยทําให้ผันมามองตัวและจัดการความโกรวของตัวก็เป็นของดีถ้าเราทํานี้ได้เนี่ ย, น, ยนะเป็นประโยชน์ของมันเนี่ยการยึมรับความทุกข์มันก็ เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วเราจะยิ้มรับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและต่อไปเนี่ยเมื่อเจออะไรหนักๆก็สามารถจะยิ้มรับได้นั่ทัือความตายเราจะเป็นมิตรกับันได้ง่ายขึ้นแถ้าเราเป็นมิตรกับความตายได้นะความตายก็เป็นมิตรกับเราถ้าเราไม่เป็นมิตรกับความตายความตายก็ไม่เป็นมิตรกับเราเพราะเหตุนี้แหละนะเราจึงควรเป็นมิตรกับความทุกข์หรือยิ้มรับความทุกข์เพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้น ความทุกข์ก็ไม่เป็นที่กับเราความทุกข์ก็จะไม่แม่ตาปราณีเราอันนี้เหตุผลนะสำคัญว่าทำไมเราควรจะยึมรับความทุกข์อัตมาก็พูดพอสมควรแล้วก็ขอทีิตินะแต่เพียงเท่า น, นี้